นิทานบันเทิงคัมเรื่องนกยูง ครั้งพระนางขอให้พระสวามีบันทมชาตินั้นนางขอให้พระสวามีทรง ขนาดจับอยู่ในรังบนต้นไม้พิจารณา ภูเขาเงินจะส่องแสงเป็นประกายหวาววับ เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเองกําลัง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้ง ยู่มาวันหนึ่งพรานป่าชาวเมืองพารานสีคน จึงกราบทูลพระเจ้าพารานสีให้ทรง จึงได้ตรัสเรียกพวกพราหมณ์อืมแล้วเออล่ะพวกพราน ขอเดชะไม่ป่าหิมพานต์ชั้นในอืมได้เรื่องแล้วเอ่อถ้าอย่างนั้นข้าขอมอบให้ ไปจัดการได้เลยโอฝ่ายพราน เขาตายอยู่กลางป่านั่นเองส่วน ด้วยการรับสั่งให้จารึกข้อความลงใน ให้ใส่แผ่นทองไว้ในหีบทองแล้วให พรานป่านั้นหาอยู่ตลอด 6 รัชกาลครั้นตกถึง สามารถจับยุงทองตัวดังกล่าวได้พราน แล้วสอนให้เรืองระบำตามจังหวะการปรบมือจน พรานคิดได้อย่างนี้แล้วพรานป่าก็อุ้ม พร้อมทั้งกรีดปีกกรีถางเรืองระบำอย่างสวยงามยูง จึงเข้ามาจับตัวไปถวายพระ ยุงทองจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะตาม พระเจ้าภารณสิงทรงฟังแล้วจึง 3 วัน ขอเดชะขอพระองค์จงอย่าประมาท